2. ทุกกะวาระว่าด้วยหมวดสองสามรอาบัตเป็นสัญญาวิโมกมีอยู่อาบัตไม่เป็นสัญญาวิโมกมีอยู่อาบัตของภิกษุผู้ได้สมาบัติมีอยู่อาบัตของภิกษุผู้ไม่ได้สมาบัติมีอยู่อาบัตเกี่ยวเนื่องด้วยสัจธรรมมีอยู่ อาบัตที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยสรัทธรมมีอยู่อาบัตเกี่ยวเนื่องด้วยบริขารของตนมีอยู่อาบัตเกี่ยวเนื่องด้วยบริขารของผู้อื่นมีอยู่อาบัตเกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลคือตนเองมีอยู่อาบัตเกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลอื่นมีอยู่อาบัตที่เมื่อภิกษุพูดจริงย่อมต้องอาบัตหนักมีอยู่ อาบัตท e ี네่เมื่อภิกษุพูดเท็จย่อมต้องอาบัตเบามีอยู่อาบัตที่เมื่อภิกษุพูดเท็จย่อมต้องอาบัตหนักมีอยู่อาบัตที่เมื่อภิกษุพูดจริงย่อมต้องอาบัตเบามีอยู่อาบัตที่ภิกษุอยู่บนแผ่นดินแล้วต้องอยู่ในอากาศแล้วไม่ต้องมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุอยู่ในอากาศแล้วต้องอยู่บนแผ่นดินไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่เมื่อภิกษุออกไปต้องเข้าไปไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่เมื่อภิกษุเข้าไปต้องออกไปไม่ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อถือเอาจึงต้องมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่ถือเอาก็ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อสมาทานจึงต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่สมาทานก็ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อทำจึงต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่ทำก็ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อให้จึงต้องมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่ให้ก็ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อรับจึงต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่รับก็ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องเพราะบริโภคมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องเพราะไม่บริโภคมีอยู่ อาบัตที่ภิกษุต้องในเวลากลางคืนไม่ต้องในเวลากลางวันมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องในเวลากลางวันไม่ต้องในเวลากลางคืนมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องเพราะอรุณขึ้นมีอยู่อาบัตที่ภิกษุต้องไม่ใช่เพราะอรุณขึ้นมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อตัด จึงต้องมีอยู่อา ing ing. บัต allora ที่ภิกษุเมื่อไม่ตัดก็ต้องมีอยู <t <t ่อาบัตที <t <t <t <t <t <t ่ภิกษุเมื่อปิดไว้จึงต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่ปิดไว้ก็ต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อทรงไว้จึงต้องมีอยู่อาบัตที่ภิกษุเมื่อไม่ทรงไว้ก็ต้อง มีอยู่ว่าด้ right. วยวันอุโบสถเป็นต้นวันอุโบสถมีสองวันคือ 1. วันอุโบสถในวันสิบสี่ค่ำ 2. วันอุโบสถในวันสิบห้าคำวันปวารณามีสองวันคือ 1. วันปวารณาในวันสิบสี่ค่ำ 2. วันปวารณาในวันสิบห้าคำ กรรมมีสองอย่างคือ 1. อปโลกนกรรม 2. ยัตติกกรรมกรรมแม้อื่นอีกก็มีสองอย่างคือ 1. ยัติทุติยกรรม 2. ยัติจตุถกรรมวัตถุแห่งกรรมมีสองอย่างคือ 1. วัตถุแห่งอปาโลกนกรรม 2. วัตถุแห่งยัตติกกรรม วัตถุแห่งกรรมแม้อื่นอีกก็มีสองอย่างคือ 1. วัตถุแห่งยัตติทุติยกรรม 2. วัตถุแห่งยัตติจตุถกรรมโทษแห่งกรรมมีสองอย่างคือ 1. โทษแห่งอปโลกน ก, กรรม 2. โทษแห่งยัติกรรมโทษแห่งกรรมแม้อื่นอีกก็มีสองอย่างคือ 1. โทษแห่งยัติทุติยกรรม 2. โทษแห่งยัติจตุถกรรมสมบัติแห่งกรรมมีสองอย่างคือ 1. สมบัติแห่งอปาโลกนกรรม 2. สมบัติแห่งยัติกรรมสมบัติแห่งกรรมแม้อื่นอีกก็มี2อย่างคือ 1. สมบัติแห่งยัติทุติยกรรม 2. สมบัติ แห่งยติจตุธกรรมนานาสังวาสกะภูมิมีสองอย่างคือ 1. ภิกษุทำตนให้เป็นนานาสังวาส ด, ด้วยตนเองสองสงพร้อมเพรียงกันลงอุเขปนียกรรมภิกษุรูปนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเพราะไม่ทำคืนอาบัติหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาป สมานะสังวาสกะภูมิมีสองอย่างคือ 1. ภิกษุทําตนให้เป็นสมานะสังวาต ด, ด้วยตนเอง 2. สงสพร้อมเพรียงกันรับภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเพราะไม่ทําคืนอาบัติหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเข้าหมู่ว่าด้วยปาราชิกเป็นต้น ปาราชิกมี2อย่างคือ 1. ของภิกษุ2ของภิกษุณีสังฆา ท, งงทิเศตมีสองอย่างคือ 1. ของภิกษุ2ของภิกษุณีทุลัจใจมีสองอย่างคือ 1. ของภิกษุ2ของภิกษุณีปาจิตตีมี2อย่างคือ 1. ของภิกษุ สองของภิกษุณีปาติเทศนิยมีสองอย่างคือหนึ่งของภิกษุสองของภิกษุณีทุกกฏมีสองอย่างคือหนึ่งของภิกษุสองของภิกษุณีทุกพาสิตมีสองอย่างคือหนึ่งของภิกษุสองของภิกษุณีอาบัตของภิกษุมีเจอย่าง ของภิกษุณีก็มีเจอย่างกองอาบัตของภิกษุมีเจอย่างของภิกษุณีก็มีเจอย่างสงแตกกันด้วยอาการสองอย่างคือ 1. ด้วยกรรม 2. ด้วยการจับสลากว่าด้วยบุคคลบุคคลสองจำพวกสงไม่พึงให้อุปสมบทคือ 1. ผู้มีกาละบกพร่อง 2. ผู้มีอวัยวะบกพร่องบุคคลแม้อีกสองจำพวกสงไม่พึงให้อุปสมบทคือ 1. ผู้มีวัตถุวิบัติ 2. ผู้มีการกระทาเสียหายบุคคลแม้อีกสองจำพวกสงไม่พึงให้อุปสมบทคือ 1. ผู้ไม่บริบูรณ์ 2. ผู้บริบูรณ์แต่ไม่ขออุปสมบท ไม่พึงอยู่อาศัยบุคคลสองจำพวกคือ 1. ผู้อารัชชี 2. ผู้โง่เขลาไม่พึงให้นิสัยแก่บุคคลสองจำพวกคือ 1. ผู้อารัชชี 2. ผู้อารัชชีแต่ไม่ขอพึงให้นิสัยแก่บุคคลสองจำพวกคือ 1. ผู้โง่เขลาสอง ผู้ลัดชีแต่ขอไม่พึงให้นิสยัยแก่บุคคลสองจำพวกคือหนึ่งผู้อลัชีสอผู้ลัดชีแต่ไม่ขอพึงให้นิสยัยแก่บุคคลสองจำพวกคือ 1. ผู้โง่เขลา 2. ผู้ลัดชีแต่ขอบุคคลสองจำพวกไม่ควรต้องอาบัติคือ หพระพุทธเจ้า 2. พระปัจเจกพุทธเจ้าบุคคลสองจำพวกควรต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุ 2. ภิกษุณีบุคคลสองจำพวกไม่จงใจต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุชั้นอริยบุคคล 2. ภิกษุณีชั้นอริยบุคคล บุคคลสองจำพวกควรจงใจต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุปุตุชน 2. ภิกษุณีปุตุชนบุคคลสองจำพวกไม่จงใจประพฤติล่วงวัตถุที่มีโทษแรงคือ 1. ภิกษุชั้นอริยบุคคล 2. ภิกษุณีชั้นอริยบุคคลบุคคลสองจพวก ควรจงใจประพฤติล่วงวัตถุที่มีโทษแรงคือ 1. ภิกษุปุถุชน 2. ภิกษุณีปุถุชนว่าด้วยปฏิกะโกสนาเป็นต้นปติกะโกสนาคือการกล่าวคัดค้านมีสองอย่างคือ 1. คัดค้านด้วยกาย 2. คัดค้านด้วยวาจา นิสารนาคือการขับออกจากหมู่มีสองอย่างคือ 1. บุคคลที่ยังไม่ถูกขับออกถ้าสงขับบุคคลนั้นออกไปบางคนเป็นอันถูกขับออกดีแล้ว 2. บางคนเป็นอันถูกขับออกไม่ดีโอสารนาการเรียกเข้าหมู่มีสองอย่างคือ 1. บุคคลที่ยังไม่รับเข้าหมู่ ถ้าสงรับบุคคลนั้นเข้าหมู่บางคนเป็นอันรับเข้าดีสองบางคนเป็นอันรับเข้าไม่ดีปฏิญญามีสองอย่างคือ 1. ปฏิญญาด้วยกาย 2. ปฏิญญาด้วยวาจาการรับประเคนมีสองอย่างคือ 1. การรับประเคนด้วยกาย 2. การรับประเคนด้วยสิ่งที่เนื่องด้วยกาย การห้ามมีสองอย่างคือ 1. การห้ามด้วยกาย 2. การห้ามด้วยวาจาการทำลายมีสองอย่างคือ 1. การทำลายสิกขา 2. การทำลายโภคะการโจดมีสองอย่างคือ 1. การโจดด้วยกายสองการโจดด้วยวาจา ว่าด้วยปริพโธ์เป็นต้นกรถินมีปริโธดสองอย่างคือหอาวาสปริพโธดสอ 2. จีวระปริโธดกระถินมีอัปริโภดสองอย่างคือ 1. อาวาสอปริโธด 2. จีวระอปริพโธ์จีวรมีสองอย่างคือ 1. ขหบดีจีวรนสองบางสุกุลจีวรบาทมีสองอย่างคือ 1. บาทเหล็กสองบาทดินเชิงบาทมีสองอย่างคือ 1. เชิงบาททำด้วยดีบุกสองเชิงบาททำด้วยตะกัวการอธิษฐานบาทมีสองอย่างคือ 1. อธิษฐานด้วยกาย Like 2. อ, อธิษฐานด้วยวาจาการอธิษฐานจีวรมี2อย่างคือ 1. อธิษฐานด้วยกาย 2. อธิษฐานด้วยวาจาวิกัปมีสองอย่างคือ 1. วิกัปต่อหน้า 2. วิกัปรับรับหลังวินัยมีสองอย่างคือ 1. วินัยของภิกษุ 2. องวินัยของภิกษุณี เนื้อหาที่ปรากฏในวินัยมีสองอย่างคือ 1. พระบัญญัติ 2. ออนุโลมบัญญัติวินัยมีความขัดเกลาสองอย่างคือ 1. กําำจัดสิ่งไม่ควรด้วยอริยมรรค 2. ความทำพอประมาณในสิ่งที่ควรว่าด้วยต้องอาบัต ด, ด้วยอาการสองอย่างเป็นต้น ภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการสองอย่างคือ 1. ต้องทางกาย 2. ต้องทางวาจาภิกษุออกจากอาบัต ด, ด้วยอาการสองอย่างคือ 1. ออกด้วยกาย 2. ออกด้วยวาจาปริวาสมีสองอย่างคือ 1. ปฏิจฉันนปริวาส 2. อัปปฏิจฉันนปริวาส ปริวาสแม้อีกสองอย่างคือ 1. สุดทันตะปริวาส 2. สองสมธทานะปริวาสมานัตมีสองอย่างคือ 1. ปฏิจฉันนะมานัตสออัปปติจฉันนะมานัตมานัตแม้อีกสองอย่างคือ 1. ปัจขะมานัตสองสมธทานะมานัต รัติเฉดของบุคคลสองจำพวกคือ 1. พิษุผู้อยู่ปริวาส 2. ภิพิุผู้ประพฤติมานัตว่าด้วยไม่เอื้อเฟื้อเป็นต้นความไม่เอื้อเฟื้อมีสองอย่างคือ 1. ไม่เอื้อเฟื้อต่อบุคคล 2. ไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมเกลือมีสองชนิดคือ 1. เกลือเกิดจากธรรมชาติ 2. เกลือเกิดจากน้ำด่างเกลือแม้อื่นอีกก็มีสองชนิดคือ 1. เกลือสมุทรเกลือดำเกลือแม้อื่นอีกก็มีสองชนิดคือ 1. เกลือสินเา่าเกลือดินโป่งเกลือแม้อื่นอีกก็มีสองชนิดคือ 1. เกลือโรมกะสองเกลือปักขันละกะการบริโภคมีสองอย่างคือหนึ่งการบริโภคภายในสองการบริโภคภายนอกคาด่ามีสองอย่างคือหนึ่งคด่าหยาบสองคด่าสุภาพคาส่อเสียดมีด้วยอาการสองอย่างคือหนึ่ง ต้องการให้ผู้อื่นชอบตนสองต้องการให้ผู้อื่นแตกกันการฉันคณะโภชนะมีด้วยอาการสองอย่างคือ 1. เพราะทายกนิมนต์เพราะภิกษุออกปากขอเขาวันเข้าพรรษามีสองวันคือ 1. วันเข้าพรรษาต้น 2. วันเข้าพรรษาหลัง งดปาติโมกไม่ชอบธรรมมีสองอย่างงดปาติโมกชอบธรรมมีสองอย่างว่าด้วยบุคคลโง่เขลาและบัณฑิตเป็นต้นบุคคลโง่เขลามีสองจำพวกคือ 1. ผู้รับภาระที่ยังมาไม่ถึง 2. ผู้ไม่รับภาระที่มาถึงแล้วบุคคลบัณฑิตมีสองจำพวกคือ 1. ผู้ไม่รับภาระที่ยังมาไม่ถึง 2. ผู้รับภาระที่มาถึงแล้วบุคคลโง่เขลาแม้อื่นอีกก็มีสองจำพวกคือ 1. ผู้สําคัญสิ่งที่ไม่ควรว่าควร 2. ผู้สําคัญสิ่งที่ควรว่าไม่ควรบุคคลบัณฑิตมีสองจำพวกคือ 1. ผู้สําคัญสิ่งที่ไม่ควรว่าไม่ควร 2. ผู้สาคัญสิ่งที่ควรว่าควรบุคคลโง่เขลาแม้อื่นอีกอก็าาาามีสองจำพวกคือ 1. ผู้สาคัญอนาบัตว่าเป็นอาบัติ 2. ผู้สาคัญอาบัตว่าเป็นอนาบัตบุคคลเป็นบัณฑิตมีสองจำพวกคือ 1. ผู้สาคัญอาบัตว่าเป็นอาบัติ 2. ผู้สำคัญอนาบัติว่าเป็นอนาบัติบุคคลโง่เขลาแม้อื่นอีกก็มีสองจาพวกคือ 1. ผู้สำคัญในอาธรรมว่าเป็นธรรม 2. ผู้สำคัญธรรมว่าเป็นอาธรรมบุคคลบัณฑิตมีสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญอาธรรมว่าเป็นอาธรรม 2. ผู้สำคัญทรรมว่าเป็นธรรมบุคคลโง่เขลาแม้อื่นอีกก็มีสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญสิ่งมิใช่วินะัยว่าเป็นวิ astics, นัย 2. ผู้สำคัญวินัยว่าเป็นสิ่งมิใช่วิ Gins, นัยบุคคลบัณฑิตมีสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญสิ่งมิใช่วินัยว่าเป็นสิ่งมิใช่วินัย 2. ผู้สาคัญวินัยว่าเป็นวินัยว่าด้วยอาสะวะอาสะวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวกคือ 1. ผู้ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรประพฤติรังเกียจ 2. ผู้ไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรประพฤติรังเกียจ อาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจำพวกคือ1ผู้ไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรประพฤติรังเกียจ 2. ผู้ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรประพฤติรังเกียจอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีกสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญสิ่งไม่ควรว่าควร 2. ผู้สำคัญสิ Bat ่งที่ควรว่าไม่ควรอาสวัตทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจาพวกคือ 1. ผู้สาคัญสิ่งไม่ควรว่าไม่ควร 2. ผู้สาคัญสิ่งที่ควรว่าควรอาสวัตทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื Govern ่นอีกสองจาพวกคือ 1. ผู้สาคัญอนาบัติว่าเป็นอาบัติ 2. ผู้สำคัญอาบัตว่าเป็นอนาบัตอาส ว, วัตทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองจาพวกคือ 1. ผู้สาคัญอนาบัตว่าเป็นอนาบัติ 2. ผู้สาคัญอาบัตว่าเป็นอาบัตอาส ว, วัทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีกสองจาพวกคือ 1. ผู้สาคัญอาธรรมว่าเป็นธรรม 2. ผู้สำคัญธรรมว่าเป็นอธรรมอสวทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองพวกคือ 1. ผู้สำคัญธรรมว่าเป็นอธรรม 2. ผู้สำคัญธรรมว่าเป็นธ ร, รรมอสวทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลแม้อื่นอีกสองจำพวกคือ 1. ผู้สำคัญสิ่ง ม, งมิใช่วิไนว่าเป็นวิไน 2. ผู้สำคัญวินัยว่าเป็นสิ่งมิใช่วินยัยอาสะวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคลสองพวกคือ 1. ผู้สำคัญสิ่งมิใช่วินัยว่าเป็นสิ่งมิใช่วินยัย 2. ผู้สำคัญวินัยว่าเป็นวินยัยทุกกะวาระจบ